เพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปไม่ถามอุโบสถไม่ขอโอวาทในสิกขาบทที่9นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัต6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานเป็นธุระนิเคเขปะสมุดฐานละ